เมื่อทุกแล้วมีทางเลือกสองทางคือโอดครวนให้จิตใจล่มจมหรือว่าใครครวนให้จิตที่ล้มได้ลุกขึ้นทัญนชยะสาโรภิกขุ เราก็มาฟังธรรมะเพื่อประกอบกับการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันธรรมะเกี่ยวเรื่องการเจริญสติเพื่อนำจิตนำวิญญาณของเราไปสู่ความสมบูรณ์ของการใช้ชีวิตเราก็เป็นกัลยาณมิตรร่วมกันทั้งผู้พูดและก็ผู้ฟังเป็นกัลยาณมิตรร่วมกันเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ จะว่าไปแล้วก็คือเรามาจับมือด้วยกันเดินทางไปด้วยกันไปสู่ความดับทุกข์เดินทางไปสู่ความสุขในชีวิตความสุขในชีวิตจะเกิดขึ้นได้นั้นเราต้องมามีสติมาเจริญสติการเจริญสติเจริญภาวนาหรือจิตตภาวนาดีละท่านบุฟังคือทางเ ด, เดินไปสู่ความพ้นทุกข์จะว่าเป็นอริยมรตมีองค์8ก็ได้ คือการมีสติมาดูกายดูใจของเรานี่นะเรื่องไม่มากถ้าดูกายดูใจของเรานี่มันจบการศึกษาเล่าเรียนนอกตัวนั้นก็ดีอยู่แต่ว่าเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบยิ่งเรียนเรื่องยิ่งมากเรียนในโลกก็ยังไม่จบต้องไปเรียนเรื่องนอกโลกแต่ถ้าเรามาเรียนเรื่องตัวของเราเนี่ยเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยมันจบจบได้ในชีวิตนี้ เราจึงต้องมาฝึกเจริญสติเป็นเครื่องมือที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของเราครู้เรื่องกายเรื่องใจเราลองมาดูกายเราเห็นกายเราเนี่ยมันเห็นได้ง่ายอย่างขณะปัจจุบันเนี่ยเรากำลังอยู่ในอิริยาบถนอนอยู่เรารู้สึกตัวไหมว่าเราลังนอนอยู่แม้ว่าอาจจะตาปลื้ม ขึ้นรู้ขึ้นหลงก็ไม่เป็นไรนะทําตาตัวโตวปลุกปลุกสติให้มันเตือนขึ้นให้รู้สึกตัวรู้ตรงนี้รู้ตรงนี้รู้ในอิริยาบถกําลังนอนให้สติมันเตือนเขาไว้แม้ตามันจะหลับเรากําลังอยู่ในอิริยาบทนั่งก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรากําลังนั่งกําลังยืนกําลังเดินกําลังประกอบภารกิจการงาน จะจับจะฉวยจะยกจะแบกจะดึงให้รู้สึกตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ให้มีจิตมีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับหน้าที่การงานของเราเ น, นี่หลักคือการมารู้เรื่องของกายส่วนรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นจากกายนั้นเราก็จะเห็นไปเองเมื่อสติมันจเจริญงอกงามขึ้นแต่สิ่งสำคัญเนี่ย ที่จะทำให้สติของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับกายได้ดินานเพราะอะไรก็เพราะอารมณ์ต่างๆที่อยู่ภายนอกมันมาแย่งไปสิ่งที่ปรากฏทางตาเรียกว่ารูปเนี่ยเสียงที่ปรากฏทางหูกลิ่นทางจมูกการสัมผัสต่างๆทา น, นร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งแม้แต่ความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิด มันจะแยกเอาสติให้ไม่ได้ดูกายออกไปจากกายทำให้เราหลงลืมสติไปอันนี้เป็นความเคยชินที่เราเคยสร้างเอาไว้คือไม่ได้มาสนใจ เ, เรื่องเกี่ยวกับกายของเราเปล่อยจิตปล่อยใจให้เลื่อนลอยเผลอคิดไปกับอารมณ์ต่างๆอันนี้คือความเคยชินเราจึงต้องมาสร้างความเคยชินนั้นใหม่ คือมามีเจตนารู้ลงไปที่กายของเราไม่ว่ามันจะเกิดความคิดนึกอะไรขึ้นมาเนี่ยคิดอะไรก็ตามให้เรารู้เท่าทันในความคิดมาอ้อนี่คือสักแต่ ว, ว่าความคิดมันจะคิดเ ร, ครเรื่องความรักเรื่องความโกรธความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยให้รู้เท่าทัน อย่าไปห้ามความคิดถ้าห้ามความคิดเมื่อไรแล้วก็เราจะเหนื่อยจะเครียดคิดก็คิดไปตอนนี้เราไม่ได้ตั้งใจคิดเราไม่ต้องการจะใช้ความคิดเราต้องการจะเจริญสติให้รู้สตัวทั่วพร้อมอย่าไปหาเหตุหาผลกับความคิดอย่าไปหารายละเอียดหรือไปรู้เรื่องราวต่างๆว่าเราคิดอะไร มันจะปรุงแต่งยาวยรู้ว่ามันคิดก็แล้วกันความคิดเนี่ยถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งต่อเติมเวลาเขาคิดขึ้นมาเราไม่ไปปรุงแต่งต่อเติมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดับไปถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันจะดับอาจจะเกิดจากสิ่งที่เราเคยสะสมมาเนี่ยคือจเจริญในความคิดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนนี้เราไม่ได้ตั้งใจคิดเราต้องใจะจะรู้สึกตัวในความคิด เมื่อวความคิดไม่ดับก็ไม่เป็นไรเราทิ้งมันทิ้งความคิดซะกลับมาเบียตนารู้ลงไปที่กายกำลังเคลื่อนไหวรู้ที่กายเป็นหลักเอาไว้ก่อนมาให้ความสำคัญอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายเมื่อเราไม่ให้ความสำคัญกับความคิดความคิดก็จะดับไปเองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ว่าง่วงเงาห่อนอนซึมเศร้า เบื่อเซ็งกลุ่มเหงานี่คืออาการของความคิดอาการของจิตก็อย่าไปใส่ใจให้รู้ว่าเนี่ยมันคิดแล้วมันคิดอะไรก็ช่างให้รู้แล้วก็ทิ้งซะกลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของการจับหลักตรงนี้มาก่อนชีวิตเราเนี่ยก็มี2ออย่างมีกายเรื่องของกายความเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องของกาย แล้วก็มีจิตผู้รู้กับอาการต่างๆของจิตคือความคิดนึกต่างๆมีเท่านี้แหละสรุปลงที่กายที่ใจหรือรูปกับนามกายนี่คือรูปจิตใจที่มันคิดมันนึกเนี่ยคือนามมีสองอย่างเพราะนั้นเป็นชีวิตของเราทําให้จิตใจของเราวุ่นวายกับเพราะ2เรื่องนี่แหละลเราก็ระลึกรู้ลงไปการรู้เนี่ยอย่ารู้แบบจับ รู้กายเคลื่อนไหวหรือรู้ใจที่มันคิดมันนึกเนี่ยอย่ารู้แบบจับรู้แบบแตะแตะรู้เบาเบารู้เบาเบาอย่าจับให้มั่นคั้นให้ตายจิตใจมันจะเครียดรู้กายเคลื่อนไหวก็รู้เบาเบาแตะรู้เบาเบาจิตใจที่มันคิดมันนึกก็รู้เบาเบาว่ามันคิดรู้ไปบ่อยนานเนี่ยมันจะชัดไปเองไม่อยากที่เราอะไรเช็ดแว่นตาน่ เราเช็ดครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ใสสะอาดต้องเช็ดบ่อยๆหลายๆครัง้งเลนแว่นตาจึงจะใสาการเจริญสติก็เหมือนกันอย่าไปเพ่งไปจ้องจะเอาให้ได้จะรวยชัดอันเนี้ยจิตใจมันจะเครียดมันจะมีความอยากซ่อนอยู่ในใจลึกๆให้เตรียมติดเตรียมสติรู้ง่ายๆแต่รู้เบา รูปแบบปล่อยๆว่างๆนะมันไม่ชัดก็ไม่เป็นไรจะรดสติบ่อยๆมันจะชัดไปเองเมื่อเรารู้สึกตัวไปกับอะไรแล้วเนี่ยรู้กายก็ต้องทิ้งอย่าไปยึดรู้ในความคิดนึกต่างๆอาการต่างๆของจิตเห็นจิตมันคิดเรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วก็ทิ้งไปเห็นจิตมันเกิดความโกรธ ความไม่พอใจงุดหิดอึดอัดคัดเคืองพารู้ทันก็ทิ้งไปจิตมันสงบก็รู้ว่ามันสงบก็ทิ้งไปเมื่อจิตมันเกิดการสับสนวุ่นวายฟุ้งซ่านเมื่อมีสติรู้ทันรู้แล้วก็ทิ้งไปจะชอบใจไม่ชอบใจดีใจเสียใจ สุขทุกข์รักชังที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราเนะี่ยถ้าเรามีสติเลึกรู้ลงไปได้เมื่อไหร่แล้วก็ทิ้งให้หมดเลยรู้อะไรทิ้งเลยรู้สิ่งไหนทิ้งสิ่งนั้นจิตจะได้ว่างวาง่าที่จิตเรามันไม่ว่างมันวุ่นวายสับสน <c oughs> ก็เพราะว่าเรารู้แล้วไม่ยอมทิ้งรู้แล้วเกาะติดยึดแน่นยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมปล่อยวางใจจิงเป็นทุกข์ เมื่อใจเป็นทุกแล้วร่างกายก็พลอยจะมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยเมื่อเรารู้ปล่อยรู้ทิ้งรู้วางอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตมันจะเป็นปกติไม้ว่าเราจะคิดนึกอะไรเนี่ยเราจะคิดนึกด้วยจิตใจที่สงบปกติเป็นระเบียบเป็นผู้ใช้ความคิด<ม>เป็นผู้ใช้สิ่งที่เรารู้เป็นนายไม่ตกเป็นทาน จิตมันจะว่างลองฝึกอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตเราเนี่ยมันเป็นปกติที่มันว่างอยู่แล้วที่มันไม่ว่างมันวุ่นวายก็บพราะถูกอารมณ์ต่างๆเข้ามาปรุงแต่งทาให้จิตมันเปืเป้อ น, เ, นเมื่อเรารู้ในอาการของจิตบ่อยๆเข้ารู้ทิ้งรู้ตัดรู้วางเราจะเห็นจิตเนี่ยมันสงบจิตผู้รู้เนี่ยมันจะว่างอย่างยิ่ง จะกลับมาดูจิตตัวเราเองนะดูอารมณ์แล้วก็สะท้อนมาดูจิตของเราเนี่ยจเจ็ว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นจิตผู้รู้รู้เฉยๆเราเห็นจิตผู้รู้แล้วเราก็ต้องปล่อยวางด้นะอย่าไปยึดว่าเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เนี่ยเป็นเราเมันก็จะมีตัวตนเนี้ เราต้องปล่อยวางผู้รู้นี่ซะไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรารู้แล้วก็ผู้รู้ในขนาเดียวกันจิตมันจะว่างอย่างยิ่งคล้ายๆกับว่าเราเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเปิดประตูเข้าไปแล้วนะรู้ว่าอ๋อห้องนี้ไม่มีใครเลยไม่มีใครอยู่ในห้องนี้เลยห้องนี้มันว่างว่างจากตัวคน เราดูภายนอกแต่พอเราดูไปนานๆเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยในห้องนี้เนี่ยมันมีตัวเราเนี่ยที่เดินงุ่มง่ามอยู่ในห้องเนี่ยมันยังไม่ว่างจริง เ, เราต้องถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้ที่กําลังเดินงุ่มง่ามเนี่ยเป็นเรา เ, เป็นเพียงแค่ธาตุขันที่มันทําหน้าที่เท่านั้นถอนความยึดมั่นตรงนี้ว่าเป็นตัวตนซะจิตมันก็จะว่าง น, นี่เราเป็นการว่างอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเจริญสติเนี่ยเริ่มต้นแค่ดูกายเคลื่อนไหวดูใจที่มันคิดนึกเริ่มเพียงแค่นี้จิตมันก็เริ่มว่างพอสุดท้ายเราจะไม่เห็นตัวจิตที่เป็นผู้รู้ที่เป็นตัวเราที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันว่างว่างถึงที่สุดเลยไม่มีใคร มีแต่ภาวะที่รู้กับภาวะที่มาให้รู้ไม่มีตัวมีตน ม, มีแค่ภาวะสภาวะธรรมเท่า น, นั้นเองเพราะฉะนั้นการฝึกจิตฝึกใจเราอย่าไปสงสัยอย่าไปหาคําตอบอย่าไปหารายละเอียดจเจริญสติไปเรื่อยๆสร้างความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆบางคนสงสัยว่าอถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปแล้ว มันไม่มีตัวไม่มีตนแล้วถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะไปเกิดที่ไหนนะก็เรายังมีตัวเรายังสงสัยว่าเราจะไปเกิดที่ไหนน ม, มันก็ต้องเกิดอยู่ล่าไปถ้าเราเจริญสติถึงที่สุดแล้วเราจะไม่สงสัยไม่มีตัวผู้สงสัยไม่มีใครไปเกิดที่ไหนมีแต่สาภาวะธรรมเท่านั้นเขาจึงบอกว่านิพพานังปรมังสูญ ว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือนิพพานไม่มีใครบรรลุนิพพานไม่มีใครไปเกิดที่ไหนอันนี้อาจจะเป็นแค่ความคิดนมามอวกาศก็ได้ไม่เป็นไรเราลองสัมผัสดูเราลองมาเจริญสติลองปฏิบัติ ด, ดูให้มากๆทำให้บ่อยๆให้เป็นสัทธิติโกเลยสัทธิติโกแปลว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองลองพิสูจน์ดูนะ